ผู้ที่มองเห็นโลกว่าไม่จรังและหาสาระอะไรไม่ได้เช่นเดียวกับคนมองฟองน้ำและพยับแดดคนเชน่นนี้พยามาณย่อมตามหาไม่พบพุทธวจนะ ข้อข้อน่าสนใจมากเลยค่ะคือเรื่องทํางานอย่างไรให้ใจเป็นสุขนะคะครับฟังดูแล้วก็รู้สึกหนาวหนาวนิดๆ น, นะคะว่าความสุขหายยากขนาดนั้นเช่ไหมเหรอก็จะยิ่งหายากมากขึ้นเรื่อยๆครับที่กินินาเป็นไงคะขาตลาดหรือยังไงคะจริงๆมันก็ไม่ขาตลาดนะครับแต่ว่าหากันไม่เจอมากกว่าเอ๊ใครเอาไปกักตุนหรือแอบซ่อนเนอถึงได้หายากขนาดนั้นแล้วยิ่งช่วงนี้จังหวัดที่ใกล้เพียงกับสุขโขทัยนี่ก็ มีข่าวที่เกิดจากอุทธกภัยต่างๆค่ะก็คือนะอุตรดิตต์นั่นเองนะคะครับค่ะทั้งที่อุตรดิตต์แล้วก็ตัวสุโข ท, ทัยทางเหนือเองก็โดนทุกขภัยไปไม่น้อยเหมือนกันนะครับพี่ฟินนาครับการบมันทั้งทุกทางกายในขณะนี้เองเนี่ยผมว่าก็มีผลมากต่อใจนะครับพี่ฟินนะยังไงคะเพราะว่าบางทีสิ่งที่เราให้อาจจะอย่างที่เราเคยคุยกันว่าอาจจะดูเล็กน้อย แต่จะดูว่ามันเป็นแค่เรื่องของทางกายแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราไปให้ในขณะที่เขาทุกข์ยากเนี่ยกําลังใจก็จะได้ด้วยอีกเยอะเลยฮะค่ะไม่ถูกทอดทิ้งหรั่วไม่ถูกบอกว่าเพว่าโรคลืมฉันแล้วหรือ ย, ยัยอะไรค่ะสนองนี้ฉันผมว่าที่เราไปนี่จะเป็นทั้งกําลังกายแล้วก็กําลังใจไปด้วยในตักก็ขอให้เพื่อนของเราที่ไม่ได้มีโอกาสไปร่วมกับเคลื่อนขบวนการก่อการดีกับเราได้ร่วมอนุโมทนาด้วยกันละกันนะคะเรื่องของกําลังใจนี่ เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่สินี้นะสําคัญเหรอคะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าทุกอย่างนี่มีใจเป็นใหญ่นะครัมีใจเป็นประธานค่ะทุกอย่างสําเร็จแด้ด้วยใจแต่ว่าถ้าใจไม่มีกําลังนี่มันก็ใหญ่มันก็ใหญ่ไม่จริงค่ะและ้วก็มันก็จะสําเร็จได้ยากใช่ไหมครัเหมือนกับคนที่ป่วยนะ ทำงานอะไรให้มันสำเร็จงานก่อสร้างงานที่ต้องใช้กําลังกายนี่ถ้ามันป่วยกระสอบกระแส ะ, ะไม่มีกําลังเนี่ยมันก็คงจะสำเร็จจากการทางานได้ยากนั่นกาลังใจเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่สาคัญแต่ว่าบางทีเราไม่สามารถที่จะมีกําลังใจหรือว่าสร้างกําลังใจได้ด้วยตัวเราเองเนะครับพี่พิก็ต้องนำเข้าอย่างว่ากําลังใจจากภายนอกก็คือ จากกัละยาณมิตรเนี่ยฮะเรากำลังใจไปให้กันเป็นพวกเป็นหมู่เป็นมิตรนำกำลังใจไปให้กันแต่ว่าถ้าเราหวังกับเครื่อนแดด ก, กำลังใจภายนอกกำลังใจภายในเราไม่สุดไม่หัดไม่เตรียมไม่สะสมไว้มันก็คงจะลาบากนะฮะเรียกว่าประมาทอยู่ก็ว่าได้ ก็ต้องสรุปกันว่าสําหรับผู้ที่กําลังประสบภัยอยู่เนี่ยกำลังใจเนี่ยเป็นเรื่องที่เร่งด่วนมากที่เราจะต้องเจือจานแบ่งปันไปให้นะคะ<ช>แต่สําหรับคนที่ยังไม่ประสบภัยเนี่ยก็ต้องมาฝึกฝนวิทยายุทธ์ที่จะเสริมสร้างกําลังใจหรือพลังใจให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่าประมาทใช่ไหมคะใช่ครัเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเรื่อง ร, ร้ายจะมาเยี่ยมยืนเราเมื่อไหร่คร<ช>ับอาจจะไม่ใช่ภัยจากข้างนอก บางครั้งแล้วก็บ่อยครั้งทีเดียวค่ะคุณหมอเราได้รับภัยจากใจที่ไม่รักดีของเรานี่เองล่ะค่ะเพราะ่ผมดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนี้กับทางเหนือเนี่ยค่ะผมดูรูปการแล้วเรือว่าความรุนแรงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแตกต่างจากสึนามิที่เกิดกับทางภาคใต้เท่าไหร่อย่างนั้นเลยเหรอคะคุณหมอครับดูจากสิ่งที่ทําให้เกิดความเสียหายเนี่าจะมาจากน้ําค่ะนะที่มีการไหลบ่ามาอย่างรวดเร็ว ความกับต้นไม้ท่อนสุ่มแล้วก็มากลบกลืนเอากับคนที่กําลังหลับไหลอยู่อย่างนั้นเลยเหรอคะค่ะไม่รู้ตัวและรู้ตัวเลยนะคะฮะใช่ตื่นขึ้นมาก็คือน้ําถึงบ้านถึงคอแล้วก็ถูกกลืนไปเลยโดยที่ไม่ได้ตั้งหลักไม่ได้ตั้งหลักซึ่งดูจากกลไกแล้วนี่ผมคิดว่าไม่ได้แตกต่างจากสึนามิที่เกิดขึ้นกับทางภาคใต้ที่คนกําลังอาจจะยังนอนอยู่ได้ซ้ําไปค่ะ นะรวมทั้งคนที่ยังแม้ว่าตื่นอยู่แต่เหมือนหลับเพราะว่าไม่รู้ว่าความตายน้ำนี่เข้าม า, ขมากลางคืนเหรอคะคุณหมอครับคถ้าที่ฟังดูนี่ส่วนใหญ่จะมาถึงกลางคืนกันช่วงที่ไม่พร้อมที่จะล่ง<ม>รับไม่ทันแน่นอนเลยนะคะถ้ามาเวลานอนเนี่ยครับยากมากครับเพราะาดูแล้วจึงบอกว่าจริงๆแล้วไม่ว่าคนจะอยู่ในภาคไหนถ้าเกิดกรรมที่มันจะตามส่งผล ดูแล้วมันก็ไม่หนีไม่รอดนะครับพี่พีนะมันช่วงที่เกิดซีนนี้ทางภาคใต้คนที่อุตสาหิกลจะส่งความเสียใจส่งกําลังใจไป ใ, ให้กับคนทางภาคใต้แตอนนี้ทางภาคใต้ก็ต้องส่งคืนมาให้ทางภาคเหนือกันบ้างนะครับแหมถือโอกาสทวงซะเลยแต่ทางกรุงเทพก็ช่วยด้วยนะครับพี่ครับก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันความเห็นอกเห็นใจแล้วก็กําลังใจซึ่งกันและกันในยามที่จําเป็นจะต้องแบ่งปันนะค ะ, คะ ทีนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีล่ะคะก็พอดีได้ดู TV, ทีวีครับทีวีไหมค่ะก็เห็นโฆษณาอันหนึ่งเนี่ยดูแล้วก็น่าสนใจดี <S <S> <S แล้วก็คิดว่าคงจะสามารถนำมาเป็นประเด็นหรือ ว, ว่ามาเป็นข้อคิดในบางสิ่ง <S <S บางอย่างได้เหมือนกั น, นะะงั้นก็คงต้องรบกวนคุณหมอขยายโฆษณาค่ะก็โฆษณานี <k> ้นี่แต่ว่าจะเป็นบริษัทประกันชีวิตมีคุณยายท่านหนึ่งนะค่ะ อดีตนี่คงจะเป็นนักเปียนโนโอนอนะที่คงจะฝีมือเรียกว่าดีพอสมควรค่แล้วเธอคงจะมีความสุขกับการที่ได้เล่นเปียนโนอันนั้นนะฮะภาพโฆษณาที่เขาฉายมาคือคุณยายท่านนี้เนี่ยอายุมากอาจจะสักเจะ็ดสิบกว่าค่ะนะเออนั่งหน้าอ่าเศร้าอยู่หน้าเปียนโนนะฮะไงนั่งหน้าเศร้าแล้วค ะ, คะ ทั้งนี้เพราะว่าเธอไม่สามารถที่จะเล่นเปียโนได้ออเพราะว่าเธออาจจะเป็นอัาพฤกษ์อัมพาตหรืออะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมือข้างหนึ่งไม่สามารถใช้ได้ร่างกายไม่เหมือนเดิมบ้างไหมเธอทีนี้ก็เหลือมือข้างเดียวนี่เธอคงเล่นเปียโนไม่ได้เธอแต่ต้องเล่นเป็นข้างเดียวมั้งเนะเรียกว่าดูแล้วหมดอะไรตายอยากเออค่ะนะหมดอะไรตายอยากเขาก็สร้างบรรยากาศได้ดีนะค่ะสายตา เรียกว่าหมดชีวิตชีวาว่างกันค่ะแล้วก็ต่อมาก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าหญิงสาวคนนี้เนี่ยต้องใช้เวลาในการไปเรียนเปียนโนเนี่ยถึงห้าปีค่ะแอบเพื่อที่จะใช้มืออีกข้างนึ ง, งเจอเนี่ยมาแทนมือขวาของคุณยายท่านนั้นเนี่ยนี่ในการที่จะเล่นเปียนโนประกอบกันก็คือว่าคุณยายเนี่ยยังเหลือมือดีข้างซ้ายแอบหญิงสาวคนนี้เนี่ยก็ทําหน้าที่เป็นมือข้างขวา นักเรียนเปียโนแต่ต้องฝึกถึงห้าปีกว่าจะมาเล่นคู่กันได้นี่นะคะใช่ผมก็ไม่ทราบหญิงสาวคนนั้นมีความสัมพันธ์อะไรกับคุณยายท่านอยนี้นะค่ะเมื่อมีเสียงเป็นโนดังปิ้งกขึ้นเนี่ยคุณยายท่านนั้นเนี่ยกระสดุ้งเลยนะพร้อมกับสายตาที่มีประกายมีท่าทางมีความสุขแล้วละอย่างนั้นเขาก็เล่นเปียโนโดยคุณยายท่านนั้นก็ใช้มือซ้ายนะผู้หญิงสาวแล้วก็ใช้มือขวาแล้วก็ภาพก็คือจบด้วยความ HAPPY e n อ i n g ค่ะนะถ้าเราดูอย่างทั่วๆไปเนี่ยก็คงโอ้ดีจังเลยเป็นความรู้สึกดีๆทีนะ่คนไม่สบายเนี่ยนะมีคนมาช่วยเหลือเกือ้อกูลนะมีคนที่เห็น อ, อกเห็นใจกันที่จะมาช่วยเหลือมาสร้างความสุขให้กับคุณยายท่านนี้ก็มีความคิดขึ้นมาอีกทีนึ่งว่าโอ้คุณยายท่านนี้นี่น่าสงสารจริงๆเลยเพราะว่า ผมเข้าใจว่าลักษณะชีวิตแบบนี้ของคุณยายท่านนี้เนี่ยคงจะเป็นตัวแทนของอีกหลายๆายชีวิตที่กําลังเป็นอยู่หรือว่ากําลังดําเนินไปก็คือว่าเราแผนความสุขไปกับความสามารถหรือเรื่องราวอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวของปรากฏการภายนอกอย่างของคุณยายท่านนี้เนี่ยก็คือถ้าได้เล่นเปียโนเนี่ยเธอจะมีความสุข เพราะว่าจิตใจคงจะฝักใฝ่กับการที่ได้เล่นเปียนโ น, โนมาอาจจะทั้งชีวิตะเอาชีวิตแขวนไว้กับเปียนโนว่างั้นเถอะนั่นพอเราไม่สามารถที่จะหาความสุขหรือว่าไม่สามารถทําสิ่งนั้นได้เนี่ยค่ะเขาก็จะไม่มีความสุขเขาก็จะไม่มีความสุขคือหาความสุขไม่ได้หรือว่าขาดความสุขนั้นไปซึ่งสภาวะอย่างนี้นี่จะเกิดขึ้นได้มากหรือมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากถ้าเราย่างเข้าสูวา่วัยชรา คือว่าเมื่อสูงอายุมากขึ้นเพระโอกาสในการที่เราจะใช้อวัยวะของเราไม่ว่าจะเป็นหูตาจมูกลิ้นกายใจอะไรต่างๆเนี่ยมันจะลดประสิทธิภาพลงไปใช่ไหมฮะค่ะนี่ถ้เกิดว่าอย่างชีวิตของคุณยายท่านนี้ก็แสดงออกอย่างชัดเจนเลยว่าเธอคงแขวนความสุขเว้ตลอดมากับการที่ได้เล่นเปียนโนพอเธอไม่ได้เล่นเธอก็ขาดความสุขอย่างเห็นได้ชัดเงาซ้อยเศร้าไปเลยครับค่ ะ, คะนี่ถ้าเรามองดูทางธรรมเนี่ยแสดงว่า เธอยังไม่มีที่พึ่งก็คือว่าไม่มีที่ทพึ่ ง, งของใจคยังไม่มีที่พึ่งของใจใจยังไม่สามารถที่จะผลิตความสุขได้ด้วยตัวเองได้ยังต้องพึ่งพาอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกอยู่คือเปียนโนครับค่ะแต่ทีนี้ของคุณยายท่านนี้เนี่ยก็มองอีกด้านหนึ่งก็คือว่าเธอก็คงทําทั้งกรรมดีกรรมชั่วมาพอสมควร น, นะฮ ะ, ะทําให้ในขณะที่กรรมชั่วส่งผลคือต้องเป็นอวบอึดอัามภาษ แต่ก็ยังมีกรรมดีส่งผลนะจ้างคนส่งคนนะมาช่วยนะเป็นมือขวาให้เธอได้อีกเหมือนกันค่ะนะก็ยังน้อยก็อ่ะยังมีบุญหรือว่ากรรมดีเนี่ยมาสนับสนุนให้เธอยังสามารถที่จะมีความสุขนะในช่วงตายของชีวิตของเธอได้บ้างค่ะนะไม่ถึงกับเรียกว่าขาดล้วนไปซะเลยมาเสริมนะคะครับมาเสริมสิ่งที่ขาดหายไปครับเพราะถ้าจะมองโดยภาพรวมก็ถือว่าชีวิตของเราเนี่ย สิ่งที่มันจะส่งผลอยู่เสมอสมอต่อเนื่องกันไปก็คือกรรมดีกับกรรมชั่วเท่ือว่ากรรมดำกับกรรมขาวนะแต่ที่สำคัญกว่า น, นั้นก็คือว่าเราทำยังไงใจเราจึงจะเป็นอิสร ะ, ะใจเราจึงจะเป็นอิสระจากเหตุปัจจัยภายนอกโดยที่มันสามารถที่จะมีความสุขได้ในตัวมันเองหรือว่ามีความสงบได้ใยตัวมันเองเนี่ยตรงนี้ครับทสกทีมีนเป็นสิ่งที่ ต้องอาศัยกำลังใจอย่างว่าต้องสะสมต้องฝึกปลือซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นสาระที่สาคัญที่สุดของชีวิตเราเพราะว่าถ้าหากเราไม่เตรียมพร้อมสะสมสิ่งเหล่า น, นี้ไว้ไม่สามารถที่จะหาความสุขได้กับความไม่มีอะไรเลยดีนะฮะอย่างนี้มีความที่เป็นอยู่กับไม่มีอะไรเลยอะเนี่ยผมว่าน่าจะดีนะค่ะ คงจะเป็นชีวิตที่เบาแล้วก็สบายแล้วก็สร้างมลพิษหรือว่าสร้างภาระให้กับโลกนี้น้อยลงไปเยอะเลยคุณหมอคะเราจะโดนข้อหาติงตองไหมคะเนี่ยไป แ, แนะนําชักชวนให้คนมีความสุขกับการไม่มีอะไรต้องเข้าใจความหมายในทัศนคของพุทธศาสนาว่ามี <c oughs> นที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้มีอะไรข้างนอกนะท่ธธานพุทธทาสก็กล่าวไว้ว่ามีก็มีให้เป็นใช่ไมะมีก็มีให้เป็นถ้ามีไม่เป็นมันก็ทุกข์ ดูเท่ดู ด, ด, ดีอะไรอย่างเงี้ยเราคนสันโดษอะไรเงี้ยนะฮะเราเป็นคนธรรมะธรรมโมต้องหาอะไรได้น้อยๆมีน้อ ย, อ ย, อยถ้ามันมีก็มีได้เราก็สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหมโดยที่เราทําใจอย่างไงที่มันจะมีการรู้เท่าทันภายในใจิตใจของเราว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงแต่ถ้ามันเดนมีอยู่เราก็ใช้มันให้เกิดประโยชน์ได้ค่ะ ให้มันแปลงสินทรัพย์เป็นทุนได้นะที่สินะ ก, ก็คือสรุปว่าไม่ใช่ว่าจะให้เราเนี่ยทําตัวให้ยากจนครับจะมีก็มีได้แต่เมื่อมีแล้วเนี่ยต้องรู้จักที่จะแบ่งปันแล้วก็ที่สําคัญคือต้องไม่เป็นทุกข์ถ้ามันจะไม่มีขึ้นมาในวันหนึ่งใช่พร้อมที่จะพบด้วยรับกับสภาพที่ต้องทัดพลากจากสิ่งนั้นไปเราต้องพร้อมที่จะรับหลวงพ่อช่ายท่านสอนอยู่ว่าจริงๆเหมือนกับการที่เราได้แก้วใบหนึ่ง ค่ะต้องมองให้เห็นหรือว่าให้ทะลุไปถึงวาระสุดท้ายของแก้วใบนี้เลยก็คือการที่มันต้องแตกดับไปค่ะมันจะสวยงามขนาดไหนสุดท้ายของแก้วสุดท้ายของทุกๆอย่างก็คือแตกทําลายไปคือมองให้สุดสายว่างเงินเถอะครับมองให้สุดสายค่ะเพรนการที่เรามองไว้อย่างนี้ไว้ก่อนเนี่ยผมว่ามันจะทําให้ใจของเราเนี่ยมันง่ายในการที่จะสงบแล้วก็เรียกว่าเตรียมให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาครับนะคะ หลังจากนั้นเนี้ยเราก็ฝึกเจริญสติภาวนานี่แหละครับพี่กินิ น, น่าอันนี้สําคัญที่สุดใช่ไหมคะคเพราะว่ามันจะสามารถทําให้เราได้มองเห็นสิ่งต่างๆที่มันปรากฏขึ้นตามความเป็นจริงทั้งโลกภายนอกและก็โลกภายในของเราเนี่ยปัญญาทางธรรมมันจะเกิดขึ้นจริงๆก็ตรงนี้ครับแล้วกําลังใจตัวจริงตัวแท้ก็มาจากตรงนี้เหมือนกันครับถ้าขาด ต, ตรงนี้ซะเราก็จะมีแต่กําลังใจของปลอมครับซึ่งหลอกตัวเองไปวันๆ กา ร, รมันจ ะ, ะจริงนี่ต้องได้จากปัญญาปัญญาที่มันจะรู้เท่าทันปรากฏการทั้งภายนอกภายในแล้วก็มีการปลดปล่อยละวางได้ได้วยตัวมันเองค่โดยอาศัยเริ่มงเปิ่งก็คือการมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะนี่นะครับค่ะเริ่มกันตรงนี้เลยนะค ะ, คะแต่คนเนะี่ยเข้าใจตรงนี้ได้ยากมากเลยนะคะคุณหมอครับอาจารย์กำพลพยายามไปพูดแบ่งปันให้คนนั้นคนนี้ที่นั่นที่นี่ฟังเรื่องนี้แต่คนก็ยังอยากจะได้กำลังใจจากอาจารย์กำพล อยู่ยังไม่รู้จักจบจากวิับหรือแม้แต่น้องๆที่อยู่ในเรือนจําที่เราไปพบพูดคุยด้วยเนี่ยนะคะหลายคนนะคะโหยหากําลังใจแต่พอให้ฝึกสติไม่เอาก็ธรรมดาครับไปกินแนบของที่ผลิตเองมันรู้สึกมันไม่ค่อยทันใช้อยากได้สำเร็จรูปงัอยากได้สำเร็จรูปอย่างนี้เปิดโรงงานผลิตกําลังใจใส่กระป๋องขายกันดีกว่าบางครั้งคุณหมอใช่จะไวดี แค่ได้คงจะร่ำรวยพอสมควรแต่ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้พี่จินเพราะว่าธรรมะนี่ผลิตเรือว่าทำแทนกันไม่ได้ค่ะถ้ามหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ค่ะเหล่าสาวกนยก็คงไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยนะพระองค์พระงทํทำแทนให้หมดเลยค่ะแต่ว่าพุ้หลวงไม่ได้กล่าวเช่นนั้นนะหลงพ่อว่าพระองค์เป็นผู้ชี้ทางเหล่าสาวกถ้ต้องการที่จะ พนทุกเหมือนอย่าพระองค์เนี่ยก็ต้องเริ่มเดินทางเหมือนกที่พระองค์ได้ที่แหนไว้เริ่มต้นกันด้วยกันมีการยาณมิตรที่ดีเนี่นะฮะต่อไปก็ต้องหาการยานิทภายในก็คือสติจมสติให้เป็นคจมสติให้เป็นอยู่กับปัจจุบันให้เป็นอยู่ปัจจุบันให้ได้เฉะนั้นพอเราถ้าเราทําตรงจุดนี้ได้มากขึ้นเนี่ยเราก็จะเริ่มมีที่พึ่งภายในของเราคือพระสติพระสัมปชัญญะตัวนี้นี่ก็จะทําให้ การเดินทางที่เรียกว่ามีปทีบส่องธรรมนะแม้ว่าเราจะยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมแต่ขณะที่เราจเจริญสติไปก็จะได้มีดวงตาเห็นทางเห็นทางไปก่อนถึงเมื่อไหร่ก็ถึงเมื่อ น, นั้นนะครับไม่ต้องขวนขวายที่จะรีบเดินให้ถึงเดินไปแต่ละขาะแต่ละก้าวแต่ละลมหายใจแต่ละคลิกแต่ละขยับเมื่อไหร่ก็เมื่อ น, นั้น ใช่ะ น, นะในขณะที่เรามีสติอยู่เนี่ยเราก็มีดวงตาแล้วแต่ว่าไม่ hẳn เป็นดวงตาเห็นทางฟังฟางไปก่อนก็ยังดีค่ะดีกว่าดวงตาที่ฟ้าตนากรไปก่อนสงบเย็นเล่นๆไปก่อนนะฮะมันก็จะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะพีจินนาไม่เล่าร้อน